เราต้องมีมีหลักยึดในการดำเนินชีวิตของเราต้องมีธรรมะเป็นหลักยึความถูกต้องถ้าเราเก่งใจกันมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้อย่างหลวตาท่านพูดว่าท่านเก่งทำท่านไม่เก่งใจคนถ้าเก่งใจคนทําก็แล้ เราปฏิบัติการนี้ก็ปฏิบัติเพื่อทำเพื่อเพื่อมีธรรมะเป็นที่เป็นหลักยึดของยึเดี่ยวของจิตใจเพราะว่าถ้าเรามีธรรมะเรายึดธรรมะเป็นหลักที่เพื่อนเป็นหลักยึดเดี่ยวของจิตใจใจก็จะมีที่เพื่อนใจก็จะสงบเงียบมั่นหวน พระธรรมะเป็นความจริงส่วนสิ่งที่ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นความจริงเราอยู่บนโลกของของความจริงและของความไม่จริงความไม่จริงก็คือสมมติท้หลายอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นความจริงที่แท้จริงเป็นความจริงชั่วคราวสมมติ แล้วสมมุติกันขึ้นมาความจริงที่แ ท, ท้จริงก็คือธาตุสีเด่นน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุสีเด่นน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้าวของสิ่งของต่างๆเพกิวา่ามาจากธาตุสีเด่นน้ำลมไฟเืลยประกอบกันขึ้นมาเราก็สมมุติตั้งสมมุติตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็น เป็นชายเป็นหญิงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นกษัตริย์เป็นประชาชนเป็นนายกเป็นมัฐมนตรีเป็นสัศดรหลานี้เป็นส่วนหนึเพราะว่าเป็นเป็นความจริงชั่วคราว เพราะร่างกายที่สร้างขึ้นมาด้วยการรวมตัวขายาต้สีหรือน้ำโดไปหยุดทำงานท่าสีก็จะแยกออกจากร่างกายไปคนตายเวลาเป็นปเทาก็เหลือแต่ที่เท่าไม่มีแล้วคนคนนั้นนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเพราะ ความจริงที่แท้จริงก็คือเป็นเพียงยืนน้ำลงไปแค่นั้นเองถ้าเรามีมีความรู้อยู่กับความจริงที่แท้จริงคือรู้ว่าโลกนี้ก็เป็นโลกกทาเท่านั้นเองเป็นการรวมตัวของธาตุดินน้ำลมไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มีเกิดทีดับมีการเปลี่ยนแปลงน่นมีตัวตนเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราหรือว่าเป็นอะไรกับเราเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นครูบาอาจารย์ของเราเหล่านี้ถ้าเรา ไม่มีความรู้ที่แท้จริงคือธรรมะแล้วเรารู้แต่รู้แต่สมมุติเราก็จะหลงกับสมมุติเราก็จะยึดติดกับสมมุติพอสมมุตินั้นสลายตัวไปหมดไปหมดสภาพไปเราก็เกิดก่อนถึงเกิดความเศร้าสศกเสี ย, ยใจขึ้นมาขณะที่อยู่ด้วยกันก็ ุด้วยความยิดติกังวลห่วงใหญ่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับส ม, มิดที่เรายึดติดอยู่เพราะมีมีปัจจัยหลายอย่างที่จะคอยทำลายส ม, มุดต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเรามอง ไปที่ความจริงว่าเป็นเพียงธาตุสีด่ดินน้ําลมไฟไม่มีไม่มีใครอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ผู้ที่มาครอบครองหรือเป็นเจ้าของธาตุสีดินน้ําลมไฟนี้ไม่ได้เป็นธาตุสีแต่เป็นธาตุที่ห้าที่เรียกว่าธาตรู้คือใจใจเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกาย พอร่างกายแตกหนาไปใจก็แยกออกจากกันไปเท่านั้นเองแต่ไปไหนต่อก็เป็นอยู่กับความรู้ความสามารถของใจแต่ระดยงก็ก ม, มีทางไปอยู่สามสามทางคือคือไปสูงใบ ไปไปสวรรค์ไปต่ําก็ไปนรกไปอบายทางที่สามก็คือไม่ไปไม่ไปทั้งสวรรค์ไม่ไปทั้งนรกยุติการไปเช่นพระพุทธเจ้าป้าหลังนี้ท่านก็ไม่ไปไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนรกท่านหยุดการเวียนว่าตายเกิดการเดินทางของธาตุรู้คืออะไรนี้ ไม่ไปรวมกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใหม่เพราะว่าท่านมีความรู้ที่แท้จริงว่าที่ยี่นนมไปหาแล้วไม่ได้มีอะไรมีคุณค่าเลยเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำล ม, มไฟไม่ยด้ให้ความสุขกับใจเลยมีแต่ให้ความทุก ข, ข์กับใจ อได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องแบกหามร่างกายไปตั้งแต่วันเกิดไปจนถึงวันตายเป็นภาระภาร ะ, าร ะ, าระาเว้คนจากขันธ์าใจเป็นผู้แบกภาระของร่างกายต้องคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องแม่ก็ต้องเริ่มหายใจ ต้องรับประทานอาหารรอบประทานนมน้ำแล้วก็ต้องรับประทานยาเวลาจิตค่ายายป่วยต้องหาเชื้อฟ้ามาสวมใส่ต้องคอยชำระอาบน้ำชำระร่างกายเพราะมีสิ่งโสโตรบปฏิกูลที่ถุกขับออกมาจากร่างกาย ทำมาจ้ำละหรือเรื่อยๆก็จะส่งตื่นเลยที่มามาได้ร่างกายก็เพราะอำนาจของความหลง น, นั่นเองคือหลงไม่รู้ว่าเห็นที่มาได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเป็นยดินน้ำหลงใจ นานจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ความจริงรว่าใจ้ม่มาหลงมาด่าท่าสีในน้ำหนึ่งไปอยู่เป็นเวลาอันยานานได้ท่าสีมพอเสือท่าสีไปก็หามาให่ไปหามาใหม่ ไ, ไมเกิดใหอ่อยู่มาเป็นเวลาอันยานา น, าน ต้องทุกกับการแบกฐานธาตุสีมาน้ำตที่ได้หลั่งออกมานี้่ยในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเอามารวมกันนี้ท่านบอกว่ามันมากกว่าน้ำใ น, นาสนิษฐ์แสดงว่าธาตุสีคือร่างกายที่ใจได้แบกมานี้มีจํานวนมากมายมากที่ดูสภาวาตุแหนงกา หลังน้ำตาออกมาได้พักถึงขันหนึงนึงได้แล้วต้องใช้น้ำตากี่กี่ล้านกีแสงล้านขันเพ่งจะได้น้ำเท่ากับน้ำในมา ส, ม, าาสมุนั่นแหละคือจำนวนธาตุไขธาตุสีในนะ้ำเงินไปเนี่ยที่ใจยมันมันแดดอยู่และจะแบบต่อไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าแม่สอนใจให้ฉลาดให้ให้รู้ว่าที่สิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำมลไฟไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเราตัวเราไม่ได้อยู่ในธาตุสี่ดนน้ำมลไฟไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้ความสุกกับเรามีแต่จะให้ความชุกกับเราอยู่ตัวดเวลา มีเกิดแล้วก็ต้องมีแต่มีเจ็บมีตายถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะปล่อยวางร่างกายใจก็จะเข้าหาความสุขที่แท้จริงคือความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางเช่นต่างๆปล่อยวางร่างกายแล้วก็ปล่อยวาง ดูคนต่างๆวายวังข้าวของต่างๆสิ่งของต่างๆไม่ต้องมีไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขเพราะความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้ยังไม่คุ้มกันความสุขที่ได้นี้ได้เป็นเพียงเล็กน้อยแต่ได้ความทุกข์มากกว่าหลายร้อยเท่าเลยกันสำหรับผู้ที่มีความรู้ ที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคือมีปัญญาเราจะเบื่อกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จะไม่มีความยืนดีอยากได้อยากมีอยากเป็นต้องการอย่างเดียวก็คือความสุบเพราะความสงบนี้ผล็ตความสุขที่แท้จริงความสุขที่ เหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่สิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆในโลกนี้จะสามารถให้ได้ความสุขนี้ชนะความสุขทั้งปวงความสุขนี้ก็คือลดแห่งธรรมลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงธรรมนี้ก็คือความรู้ที่ ต้อง ก, การความเป็นจริงดังนั้นพวกเราจึงต้องคอยศึกษาอยู่เรื่อยๆการศึกษาโดยตรงก็กระจากการได้ยินได้ฟังฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะเป็นปัญญาระดะับสุตตะวิยปัญญาคือการได้ยินได้ฟังธรรม ก็จะทําให้เกิดได้รับความรู้ขึ้นมาว่าความจริงกับความไม่จริงนี้เป็นอย่างไรความไม่จริงก็คือสมมุติทั้งหลายความจริงก็คือธาตุสี่ดินน้าหรือไปที่ไม่เที่ยงที่ไม่มีตัวตนที่เป็นความทุกข์ถ้าไปยึดติด อันนี้เป็นความจริงที่แท้จริงเมื่อเราทราบแล้วได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเจริญอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอามาพิจารณาต่อไม่เอามาเจริญต่อเราไปทํางานชีวิตตามปกติ ไปดำเนินกิจกรรมต่างๆจิตก็จะไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงความจริงที่แท้จริงนี้ก็จะไปคิดกับความจริงที่ไม่แท้จริงกับไปคิดเกี่ยวกับเรื่องข้าวของเงินทองเรื่องของบุคคลต่างๆแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งของต่างๆกับบุคคลต่างๆ ไปตามความหลงความยึดติดความอยากได้ความอยากรักษาให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่กับตนไปน้นๆก็จะลืมความจริงที่แท้จริงไปดังนั้นการฟังเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่สามารถที่จะคลิดใจหรือทำให้ใจนั้น เห็นความจริงได้อย่างตลอดเวลาดัางนั้นขั้ต่อไปหลังจากได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องเอามาค่ยคายๆพิจารณาอยู่เนี่ยๆในระหว่างที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปคิดเกี่ยวกับเรื่องภารกิจการงานต่างๆก็ควรที่จะไปยางคิดถึงความจริงนี้ว่าเราอยู่ในโลก ของธาตุสี่ดินน้ำอยู่ไปทุกสิ่งทุกอย่างนี้แม้กระทั่งร่างกายของเรานี้ก็เป็นดินน้ำหม่นไปเราผู้พิพจรารณานี้ไม่ได้เป็นดินน้ำหมุนไปแต่เป็นธาตรู้เป็นผู้รู้ที่เราให้ชื่อสมมติว่าใจใจนี้เป็นผู้ที่มาครอบครอง ร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ไปครอบครองสิ่งต่างๆต่ออีกทีหนึ่งเราต้องสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีวันสิ้นสุดลงทาสี่ไม่ว่าจะอยู่ท่าสี่ในร่างกายของเราหรือของร่างกายของคนอื่นก็จะต้องมีวันหมดสิ้นต่มีวันต้อง สลายไปถ้าเราเรามาคิดอยู่เรื่อยเรื่อยเราก็จะเราก็จะไม่เผอไม่หลงที่จะไปยึดไปติดไปอยากได้เิ็งต่างๆมาเป็นสมบัติมาให้ความสุบเราเพราะ ควจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันจะให้ความทุกข์กับเราเราได้อะไรมาน้ำใจของเราก็จะทุกข์กับสิ่งนั้น ท, ทันที่ทุกข์เพราะว่าเราไปเป็นยึดติดว่าเป็นของเราสิ่งใดที่ไม่ใช่เป็นของเรานี้เราจะไม่ทุกข์ด้วยบ้านคนอื่นจะจมน้ำเราก็ไม่ทุกข์กับเขาแต่ถ้าเป็นบ้านของเรา เวลาน้าท่วเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเรานนัเองเราต้องคิดเสมอว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของยืมเข้ามาใช้ชั่วคราวเท่า น, นั้นเองร่างกายนี้ก็ยืมเข้ามายืมมีน้ามินไปมาต่อไปร่างกายมันก็จะต้องแยกทางกันไปร่างกาย คือธาตุสีในร่างกายเ็าจะต้องแยกทางกันไปสมบัตข้าวของเงินทองโอยสับลอยวานมูกคนต่างๆเราก็ต้องจากเขาไปหเมื่อฉะนนั้นเขาก็ต้องจากเราไปดังนั้นไม่มีอะไรเป็นของเรานะสัพเพรามาอนัตตา สัตยสังขาราอนิจจาสิ่งทั้งหลายทั้งหลายมีเที่ยงมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสตเปย์สังขาราทุกขารสัตสตวสิสิ่งทั้งหลายสิ่งต่างตางทั้งหลายในโลกนี้เป็นความทุกข์พอมายึดว่าเป็นของเราแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทันทีพ่อเราแม่เรา อยู่เราสามีเราภรรยาเราของเราพอเราเป็นตัวของเราเท่เนี้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเป็นของคนอื่นนี้เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็จะไม่ทุกข์กับเขาเพราะงั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์เราก็ต้อง อย่าไปหลงีิยติสิ่งต่างๆแม้แต่ร่างกายของเราว่าเป็นตัวเราของเราคิดเสมอว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำมูไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากธาตุสี่ดินน้ำมูไฟเมื่รวมกันแล้วแล้วก็ไม่งานก็จะแยกตัวกันไปไม่ว่าเราจะสร้างอะไรกันขึ้นมา ใหญ่โตขนาดห น, นก็ตามเวลาก็จะค่อยๆทำลายสิ่งต่างๆที่เราสร้างกันไปอ น, น, นจากต่างๆที่มีผ่านมาในอดีตก็เสื่อมลายหายไ ป, ห, ยไปหรือแต่ ส, สร้างสมรขับพังไว้ให้เป็นอย่างสอนเท่านันแล้วถ้าทิ้งไปางนานๆข้างต่อไปก็จะ ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแม้แต่โลกกระทำ น, นี้ก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งมันก็จะต้องถึงวาะที่มันจะต้องต้องสูญสลายไปต้องแยกแยกต้องแยกทางกันไปโลกนี้ก็จะไม่มีเหลืออยู่ต่อไปแต่มีสิ่งเดียวที่ไม่ได้เสือ่อมไม่ได้เสียไม่ได้หายไปก็คือธาตอยู่ ท่ารู้นี้เป็นท่าที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหายไปเป็นท่าที่รู้อยู่เสมอแต่ว่าจะรู้แบบไหนรู้แบบรู้จริงหรือแบบรู้หลงถ้ารู้หลงก็จะผลิตความทุกข์ให้กับให้กับท่ารู้ให้กับใจเองถ้ารู้จริงก็จะไม่ผลิดความทุกข์จะรู้เฉยๆจะไม่ ยึดติดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเราเป็นของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องพยายมามมาค่าควนอยู่เด้อเๆอแต่ในชีวิตของขาราว่าญาติโยมที่ต้องทามาหากินโอกาสที่จะคิดถิงเรื่ราเรล่านี้นั้นคนแทบจะไม่มีเพราะว่าเรื่องภารกิจการงาน การเลี้ยงดูชีวิตของตัเองและของครอบครัวและการหาความสุขตามหน้าของกิเลสตัณหามันก็จะย่างออกไปหมดจะไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องของความจริงที่แท้จริงนี้ได้เลยมีแต่จะต้องคิดถึงยุ่งกับเรื่องคิดแต่เรื่องของสมมุติอยู่เลยคิดถึงเรื่องของสามีของภรรยาของลูก ของญาติของมานดาของเพื่อนของครูบาอาจารย์ของคนนั้นของคนนี้เรื่องแตนเรื่องสมมติทนั้นดังนั้นถ้าจะคิดได้บ่อยๆจำเป็นจะต้องปล่อยวางภารกิจการงานที่ไม่จำเป็นลงไปบ้างให้ในเวลาเป็น ตัวของตัวเองบ้างให้มีเวลาว่างที่จะได้มีมเวลามาคิดทุกข์นาถึงความจริงอยู่อย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นปัญญาระดับที่สองคือจึงตารมัญญาการได้คิดถึงเรื่องของความจริงในเวลาที่มีโอกาสที่จะคิด แต่มันก็ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้ใจนั้นรู้ทันความหลงทำลายความหลงที่คอยดึงใจให้ไปห่หลงยึดติดกับสมมุติต่างๆถ้าอยากจะอยากจะให้ใจคิดอยู่กับความจริงตลอดเวลา ก็จําเป็นจะต้องพิงาจารณาฤจารามอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งนั้นอย่างที่พระเจ้าสงสารพระอนุลย์ให้คิดถึงความตายก็คือให้พิจารณาฤจางของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เองการตายของร่างกายก็คืออิจางถ้าคิดถึงเรื่องฤจางตอบไปมันก็จะเห็นทุกข์ขังมันก็จะเห็นอนัตตา การจางทุกข์องหน้ตานี้มันเป็นความจริงที่จะตามมาพร้อมๆตามมาตามลำดับถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบของไม่เที่ยงเราชอบของเที่ยงกันอยากจะให้ทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนอยากจะให้อยู่กันเหมือนเดิมให้เป็นสาวกันหนึ่งไปตลอดไม่แก่ไม่เจ็บ่า้ได้ตัวไม่ตาย แต่ความจริงมันไม่สนใจต่อความต้องการของเราความจริงย่อมเป็นไปตามความจริงของเขาเสมอถ้าเราต้องการที่จะยุติความหลงที่ทำให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราว่าร่างกายนี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เป็นธรรมดาจะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องปล่อยวางภารกิจอย่างอื่นๆทั้งหมดจะปล่อยด้วยการออกบวชก็ดีหรือถ้าไม่บวชก็อยู่อยู่บ้านก็ได้แต่ไม่มีภารกิจอย่างอื่นนอกจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิที่ต้องนั่งสมาธิก็เพื่อที่จะเสริมสร้างพลัง ให้แก่ใจแล้วก็เสริมให้อาหารหรือความสุ ข, ขับใจเพราะว่าถ้าใจไม่เหยความสงบจะไม่มีกําลังที่จะทํางานทำด้านนี้เหมือนกับพวกเราที่ไปทํางานถ้าไม่ได้เงินเดือนเราก็จะไม่มีกําลังใจที่อยากจะไปทํางาน ทำเดือนแรกถ้าสิ้นเดือนแล้วไม่เงินเดือนไม่ออกเงินเดือนเดือนที่สองมันคงจำไม่ไปทุกวันเหมือนเดือนมากไปกันรู้ไปแล้วไม่ได้ไไใล่ใจทาไมใจไม่รู้ใจก็เหมือนกันการที่ใจจะทํางานทางทางเจริญความรู้ที่แท้จริงนี้ได้จำเป็นจะต้องมีสิ่งทดแทนความสุขที่ที่ที่เคยมีอยู่ เมื่อก่อนเราเคยมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสมีความสุขกับการได้ราบยุดสรรเสริญแต่พอเราออกมาทำงานทางทางนี้เพื่อที่จะสร้างความรู้ที่แท้จริงให้กับใจเราก็ต้องมีความสุขทดแทนความสุขทดแทนนี้ก็คือความสงบเวลาอใจสงบแล้วจะมีความสุขดันั้นกัน การที่เราจะพิจารณาความจริงที่แท้จริงนี้ได้อย่างต่อเ น, นื่องตลอดเวลาก็ต้องมีใจที่มีความอิ่มมีความสขก่อนการปฏิบัติื่องต้องจริงต้องไปที่การทำจิตใจให้สงบเรื่องการเจริญสติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมใจไม่ให้ คิดเรื่องราวต่างๆพอความคิดนี้จะทําให้ใจไม่สงกนั่นเองถ้าสามารถควบคุมให้ใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้เวลามานั่งทําจิตใจให้สงบใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็เวเมื่อใจสงบแล้วเพรตอนนี้ก็มีความสุขพรมีความสุขแล้วก็จะเข้าใจแล้วว่า อ, อ๋อความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ ใจที่สงบที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนันเองว่าขณะที่จิตสงบด้วยใจสงบเนี้ใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสมมติสมมติทั้งหมดไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของตนเองก็ดีของคนอื่นก็ดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเกี่ยวกับความสุขทางตาหูตรูกยิกายดังนั้นใจ ลืมเลยหมดไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยอยู่กับความว่างอยู่กับความนิ่งอยู่กับความสบายใจดังนั้นในตอนเบื้องต้นของการปฏิบัติจะทําใจให้สงบได้นะี้จะต้องเจริญสติให้ว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอตื่นขึ้นมาก็ต้องควบคุมความคิดละอย่าปล่อยให้คิดเรื่อย จะเดินไว้ให้อยู่กับร่างกายก็ได้ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายทําอะไรก็ให้รู้อยู่การกระทําของร่างกายถ้าไม่สามารถเดินไว้ให้อยู่กับเรื่องของร่างกายได้จะยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธเข้ามาช่วยทำแว่าจะทําภารกิจการงานละก็ให้บริกรรมพุทโธไปทำในใจ บริกรรมไปเ ร, เรื่องความคิดต่างๆก็จะไม่สามารถคิดได้พอเสร็จจากภารกิจมีเวลาว่าก็นั่งสมาธินั่งหลับตาถ้าบริกรรมพุโทโธก็จะบริกรรมพุโทโธต่อก็ได้หรือถ้าอยากจะหยุดบริกรรมแล้วดูลมหายใจเขาออกได้โดยที่ไม่ไปคิดเรื่องเรื่องต่างๆได้ก็ดูลมหายใจเขาออกไป ก็ไถ้าดูไปแล้วไม่ไม่ไปคิดเรื่องอะไรต่อไปจาง ก, ก็จะสงบตางระดับค่อยๆสงบลงไปแล้วจะสงบเป็นที่ไรในที่สุดแล้วก็จะพบกับความสุขที่ที่เลิศกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เราได้ความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วก็จะมีเครื่องมอือมีที่อาศัยทีนี้ก็จะสามารถออกมา ทำงานทางด้านปัญญาไนดะ้คือด้านภาวนามายักปัญญาคือพิจารณาความจริงที่แท้จริงตลอดเวลาทุกขณะหลจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเวลาอยู่ในสมาธินี้อย่าไปพิจารณาเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาชาติแบบเป็นเวลาเตลมน้ำมัน รีบไม่ได้เวลาเติมน้ำมันต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนแล้วเติมเสร็จแล้วถึงค่อยขับรถออกไปวิ่งต่อได้อในขณะที่นั่งสมาธินั้นอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาเวลาจะเจริญปัญญาต้องเวลาที่ออกมาจากสมาธิแล้วจิตถอนออกมาจิตอิ่งตัวแล้ว อย่าไป拉ารือไปดึงจิตออกมาเองปล่อยให้จิตสงบเต็มที่แล้วจิตนี้พอพออิ่มตัวแล้วก็จะถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วเริ่มมีความคิดปุงแต่งก็ให้ออกความคิดปุงแต่งนี้มาคิดไปตามความจริงหลงใจถึงเรื่องของธาตุสี่ดินนะ้ำลมไฟว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินนะ้ำลมไฟ ที่รวมตัวกันแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการแยกตัวกันไปเพราะว่าน้นํานี้น้ําจะต้องกลับไปหาน้ํำสนะดินจะต้องกลับไปหาดินนมจะต้องกลับไปหานมไฟจะต้องกลับไปหาไฟสนะอันนี้เป็นแรงดึงดูดของธาตุเขาไม่ว่าใครจะเอาธาตุสี่มาผสมรวมกันอย่างไรความ แรงความแรงของของธาตุที่จะเกิดคืนสื่อธาตุเดิมก็จะคอยทําลายสิ่งที่ที่ที่ที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่เช่นร่างกายก็เป็นการรวมตัวของธาตุสี่าธาตุสีที่เขาถูกถูกบังคับให้เขามารวมตัวกันนี้เขาก็จะดิ้นเขาก็จะแยกออกอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดร่างกายนี้ก็จะต้อง สลายหายไปหมดเช่นเดียวกับสิ่งของ ต, ต่งรรางๆต้นไม้ใบหญ้าก็แบบเดียวกันวัตถุข้าของตา่างๆทิ้งไปนานๆเข้ามันก็จะแยกตัวมันก็จะย่อยสลายไปไปหมดนี่คือการพิจารณาความจริงของโลกของของสิ่งที่ที่ใจหรือเรามารับรู้มาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อจะได้ยุติความหลงที่หลอกให้เราหลงคิดว่าเป็นสุขเป็นเป็นอิจจังเป็นอัตานตัวเราของเราความจริงแนละ้วเขาเป็นอนิจจังเป็นทุกข์คำอาราน์ตาถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆแนละ้วความหลงก็จะไม่สามารถมาหลอกให้เกิดสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาได้ เราไม่มีความอย่ากนงใจก็จะสุกตลอดเวลาสาเหตุที่ใจไม่สงบ ก, ก็เพราะความอย่างนี่เวลาเกิดความอย่างแล้วใจจะมีความวิตกกังวลมีความกระสับกระส่ายอยากได้อะไรก็กังวมมลแล้วว่าจะได้หรือเปล่าได้ก็ดีใจหรือเดียวไม่ได้ก็เสียใจ ก็เป็นความทุกขขึ้นมาได้แล้วก็ไม่พอพอได้สิ่งนี้แล้วก็อยากจะได้สิ่งใหม่ได้มาเท่าไรก็เหมือนเดิมยังไม่พอสักทีก็อยากจะได้ เ, เรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือสิ่งเดียวกันก็คือได้ธาตุสี่ด ง, งนน้ลงไปไฟได้อันนี้จาทุกขังอนตาาัตต่างๆก็จะอยากได้กับ อันนี้จังทุกขังนนัก ต, ตาอยากจะได้กับธาสีนี้ไปเรื่อยเรื่อยเมื่ยุขีพบ ก, กี่ชาติแล้วกี่กี่แสงล้านชาติแล้วล้วก็อยากกับธาสีลนน้ำลงไปนี่ไม่ได้อยากกับอะไรแต่พอมีปัญญามีความรู้ที่ถูกต้องอยู่ภายในใจตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่ไดใจไปอยากกับอะไร เป็นหลักทารมสี่นี้นะโมบายมันม่มีความวิเศยวิโสต่างๆความวิเศษวิโสอยู่ที่ใจที่สงบนี้ทําอยู่ที่ใจที่ไม่อยากนี่เองพอใจไม่อยากแล้วใจมันก็สงบต่อไปไม่ต้องนั่งสมาธิกระไตอนที่ต้องนั่งสมาธิเพราะตอนนั้นยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องที่จะมารักษาใจให้สงบได้ก็เลยต้องอาศัยอุบายของสมาธิ ไปก่อนทําใจให้สงบก่อนแต่เป็นความสงบเชั่อคราวแต่ถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องคอยกากับควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาใจก็จะไม่สามารถกระเพื่อนได้ใจก็จะสงบอยู่ตลอดเวลาเมื่อใจสงบอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีความจใจเป็นที่จะต้องไปนั่งสมาธิเพราะม น, นั่งก็ได้เท่าเดิมมันก็ได้ความสงบเท่ากันนี่นี่คือ งานของของพศาสนางานของพุทธลอยศัจจุคืองานสร้างความรู้ที่แท้จริงนี้ให้มีคู่อยู่กับใจอยู่ตลอดเวลานาที่ถ้ามีอยู่ตลอดเวลาแล้วความหลงก็จะไม่สามารถทํางานได้ไม่สามารถมาบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้อ เป็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครอะไรทั้งนี้ได้เพราะความจริงมันเป็นเพียงธาตุสิ่งนี้น้ลงไป่เท่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรทเที่ยงแท้แน่นอนท้าววรมีอะไรให้ความสุขไม่มีตัวตนในธาตุสิ่นี้แล้วลงใ่นี่คือการปฏิบัติที่เราพวกเรามาเราเกินกัน ส่วนใหญ่เราจะติดอยู่ที่ขั้นแรกคือการฟังฟังแล้วก็จะพอออกจากที่นีจใ่ก็กลับไปหาพ่อแม่หาพี่หาน้องหาสามีหาภรรยาแทนที่จะกลับไปหาทาสี่ไปหาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็กลับไปเหมือนเดิมถ้าทันนี้ปฏิบัติไปอีกทั้งชาตนี้ก็คงจะไม่ได้ไปท่งนใหน เะ ว, ว่ามันไม่ปฏิบัติไม่ยอมขึ้นชั้นที่สองชั้นที่สามเอาแต่ชั้นที่คือการฟังธรรมอย่างเดียวสุดจากระยะปัญญาไม่ก้าวสู่ท่านจิตตามระยะปัญญาเอาไปค่าควรบ้างวันหนึ่งควรจะลดลงน้อยสักสามสี่ครั้งก็ยังดีเหมือนกับกินข้าววันละเรายังกินข้าววันละสามสี่เวลาทำไมเราไม่แห้งอาหารใจวันละสักสามสี่เวลาบ้าง คิดถึงธาตุสีดนน้ําลงไปพักสามสี่เวลามาก็ยังดีถ้าิดอยู่บ่อยๆเขา้ามันก็จะทําให้เราเกิดความเดือดร้อนกับการที่เราต้องมาแบกภาระของธาตุสีดินน้ำลมไฟก็จะทําให้เราเกิดกําลังฉันทะเวริยะที่จะทิงธาตุสี่เหล่านี้ไปเพื่อเราจะได้ออกไปเจริญขั้นที่สามต่อไปก็คือภาวนาเมตตญะารยะ เราจะได้เจริญความนี้ที่แท้จริงนี้ให้อยู่คู่กับใจรเราไปชุบดวงหายใจเข้าออกตามที่ผู้เจ้าได้ ส, งสงนน่งสั่งพระอรหันต์ว่าให้พิจารณาความตายชุบดวมหายใจเข้าออกถ้าพิจารณาได้ก็จะเป็นเหมือนพระอรหันพระอรหั น, หนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะได้ปฏิบัติตางที่ผู้เจ้าส่งสั่งสอนพวกเราก็จะได้เช่นเดียวกัน เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางกาัง้นพวกเรานอกจากการไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองหรือการปฏิบัติแบบยืนอยู่กับที่ไม่ยอมก้าวขึ้นชั้นต่อไปชอบอยู่แตช่ชั้นชั้นหนึ่งไม่ยอมขึ้นชั้นสองชั้นสามมันก็เลยเลียยงไม่จบทันทีเลี้ยงไปจนวันตายก็ไม่จบ ถอกจะเรียนให้จบก็ต้องก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามไปตามลำดบแล้วก็จะเรียนจบอย่างแน่นอนเพราะว่าพระสาวกทั้งรูปท่านก็เรียนแบบนี้กันท่านก็เรียนจากขั้นที่หแล้วท่านก็ขึ้นขั้นที่สองจากขั้นที่สองท่าก็ขึ้นไปถึงขั้นที่สามพอได้ขั้นที่สามท่านก็เรียนจบบรรลุเป็นพราอรหับต์กวกกัน ส่วน่กต้องออกบวชกันเท่านั้น 99% เป็บรรุกันก็จะอาที่เป็นนักบวชเพ่อ 99% จะมีเียงหนึ่งเปอร์ซ็นท้นที่ยังเป็นฆราวาสอยู่แต่ถ้าเป็นฆราวาสแล้วพอได้บรรลุแล้วไม่อยากจะเป็นฆราวาสอีกอ ก, ก, ก็อยากจะบวชกันบาทีเป็นฆราวาสบรรลุขณะที่เป็นฆราวาสก็จะขอพระพุทธเจ้าขอพระญาณบวช ท, ทันที ตอนไม่รู้ว่าจะเปอยู่กับธาตุสี่หรือดินน้ำลมไฟต่อไปทไําเลยแต่พวกที่ยังต้องอยู่เขาอายังไม่มีความรู้ว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟยัยงคิดว่าเป็นตามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ให้ความสุขกับเราเป็นของเราจะอยู่กับเราไป น, นาน นี่คือความหลวงที่มันครอบามจิตใจที่ทําให้นี่สามารถออกเหียุดได้ไม่สามารถออกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ที่แท้จริงควบคู่ไปกับาจตลอดเวลาได้เพราะง้นก็นขอให้ท่านจงได้นำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาดูว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี้ยควรจะทําอย่างไรต่อไป อยากปล่อยให้อยู่ที่เดิมเพราะว่าไม่็นงประยชน์ถึงว่าทำขั้นที่หนึ่งจะมีคุณค่าน้อยนักแต่อะไรก็เป็ น, นเพียงบันไดเพื่อให้เราก้าวสู่ขั้นที่สองและขั้นที่สตาต่อไปเป้าหมายของเราต้องอยู่ที่การสําเร็จการศึกษาสำเร็จการปฏิบัติ การปฏิบัติแต่ละขั้นีเป็นเป็ น, ปนขั้นบันไดที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปตามบันไดเพื่อให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางอย่าไปติดอยู่กับขันข้นตอนชั้นหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าจะไม่ทําให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เลื่อที่ประสงค์ที่ททจะพุทธ้าแลาะพระสาวมุขทั้งหลายได้ไปถึงกัน เขาาพักงทานี้รับที่วันนี้หลวงเหนือจะมาเยอะหรือว่าหลงไนะครับอาจารน้อยกว่าดีกว่าวันนี้วันนี้ น, ะ น, น, น, น, นอ้อยนม่ไน้อยอ เปนเปลี่ยนจากการไปงานบูญไปงานวิเวกแทนได้ยังไปงานตื่ีแล้วเนี่ยลาบไม่เกินงานดูญงานางสีแล้วเร่ยงานวงนเกิดงานหล่อพระไม่พิจงงารณาแล้วเนีเย่ย ว่าได้อะไรบ้างไปได้ดินก็เท่ากับเป็นเศษเงินเ็ษทองเงินเหรียญไม่ใช่เ ง, งินแดงหรื่ห้าเหรืยสิบ 10, บ, บาทเบงร้อยเบงพันเบงห้าร้อยนี่ไม่เอาเลยเสที่เวสีจะได้แบงห้าร้อยได้เบงพัน จะเอาทีละบาทสองบาทแล้วเมื่อไหร่เราจะเป็น ก, บกรบกุกก็คือเมื่อได้เป็น 1, 000, 000, เงินล้านทีผู้นี้รู้จะได้ผลหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ได้ผลก็ดีผมจะโทษแตบให้พวกผู้ชวนลงฟัง เรื่อพวกเขารหดซ้าใหมกว้วางงานนี้ทําจริงไม่กี่ปีก็เสร็จอย่างผู้เชี่ยวจงพยากรไม่เกินเจ็ดปีเสไหนมางานนี้เป็นทางจริงรับรองได้ เมื่อไหร่สองเดือนก็จบหลักถูกแต่เจ็บตึงก็จะถายเดือสุดท้านเหลือสองกันนะตีละสิบสองกันเจ็ดเตะละแปสิบสี่ แ4ิบสี่ก็มาแปดมืนสี่พันธรรมะรามต้องจบให้ได้นะเนี่ยเหลือสามเหลือสองเดือนนั้นองพระเจ้าบอกอนุนว่าเธอเหลือสามเดือนนั่นเอ่เจอก็เหลือแค่สองเดือนนี่ต้องเร่งความเสี่ยงเนทั้งหมดไปไหนไม่ได้นะ ใกล้จะสอบด้วใกล้จะสอบได้แล้วเนี่ยเลือกเลือกไปให้หมดไปหาที่สจะอยู่คนเดียวไปปิดด้วยไปเดินจงผมนั่งสมาธิตลอดระยะเสองเดือนเนี่ยได้แน่แน่แล้วเราจะไปเมื่อไหร่ <c oughs> <c oughs> อย่แค่เอึ้งเนี่ยอยู่เพีนะยงแต่เราไม่อื้องไปหยิบอะไรแค่ไหเรามีอยอยู่ในวิสัยที่เราจะหยิบเยอะหยิบได้แต่เราไม่หยิบกันเองเราชอบไปหยิบของอื่นเนะมากกว่านิทานเนี่ย เ, เอาลูกเสียงกิ่รูป <c oughs> อยากจะถามเลยว่าการจปภาวนามามีปัญหาเลยบ้างสิ ต, ตง <Yeah. S 1> รงไหนแสดงว่ามันมีปัญหาเลยหรือว่าไม่ได้ภาวนาะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ภาวนาก็ไม่มีปัญหาหรนะือถ้าถ้าบรรลุแล้วก็ไม่มีปัญหาแสดาว่าต้องเป็นนะอย่างไรอย่างหลังค ง, งไม่ใช่ เข้าใจว่าท่านอาจารย์เคยอธิบายแล้วแต่ว่าเวลาที่จิตมันนิ่งเนี่ยออาการสะดุ้งคืออย่างเช่นการเทศท่านอาจารย์แล้วกิ่งไม้ตกลมากระทบ อ, อหลังคาแล้วเราก็รู้สึกสะดุง้งการสะดุ้งของจิตเนี่ยมันคือมันคื อ, อมันเป็น <c oughs> มันเป็นปฏิกิริยาของจิตเนี่ยต่อเวลาได้สัมผัสรับรูกกบ้กับกับพวกกับรูปเสียงขิดลวดที่มันมันแค่ท่าทว่ามัน มันมุนแรงขึ้นมามันก็จะมันก็จะมันก็จะสะดุ้งแต่ความทะดุ้งนี้มันไม่ได้ว่าเป็นเกลืมันถ้ามันจะเป็นเกลืมันต้องหลังจากสะดุ้งแล้วมันจะเกิดความวายกลัวขึ้นมาเกิดความคิดตรงแต่งขึ้นมาแต่ถ้ามันสะดุ้งแล้วรับรู้เฉยๆเหมือนการรู้ว่าเหมือนคันโยนเดินก้อนหินลงไปในน้าน้ำมันก็กระเพื่อมแล้วมันก็มันก็เน้นกลับไปเหมือนเดิม ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าถ้ารู้ว่ามันกระเพื่อมแล้วก็เกิดความคิดตรงต่าขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างนี้ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นกิเลสถ้าถือว่าอะไรนาปุ๊บเราก็บางทีก็ะดุ้งปั๊บล้ารู้ปั๊บถ้าเราก็เฉยเหมือนคำผ่านไปแสดงว่าเรามีปัญญาผมคมกรอบคงเ กิเลสได้คือว่าเป็นใจแล้วเกิด ข, ขึ้นแล้วก็จากไปผ่านไปไม่มีอะไรแต่ถ้าเริ่มสงสัยเฮ้ยเป็นอะไรวะอย่างงี้อย่างนี้ผีหรือปะหรืออะไรขึ้น <c oughs> อันนี้มันจะเป็นกิเลสได้ <c oughs> แต่ถ้าถ้าไม่คิดอะไรเลยก็สะดิงฐ์ปะแล้วก็เฉยไปครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรถ้าถ้าพิจารณาก็ก็จะว่าแสดงว่าใช้อย่างใช้มากอยู่ จะนาว่ามันก็เกิดดับผ่านไปเป็นเสียงมากระทบกระหูมาเกิดเป็นสตะวิญญาณขึ้นมาให้จิตรับรู้แล้ว็หายไปจิตรับรู้จิตกระเพื่อมก็ับ้วก็กนิ่งไป่เห็นมันก็ไม่เป็นปัญหาเลยนี่เป็นเหมือนที่ตรงกามบอกว่าเป็นที่ราการของสัญชาตยาณใช่ไหมต้องไปอธิบาย ก็คล้ายๆกันอย่างนั้นแต่ไม่แน่าใชจว่าจะเราก็ไม่กล้าที่จะฟันตรงลงไปแต่ว่าก็ควจะเป็นอย่างนั้นเนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาติใจของจิตคือตามไใจถ้าไม่มีความกลุงแต่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็ไม่เป็นกิเลสแต่ใช้นุ่งแล้วก็ผ่านไปรับรู้ รับรูมแล้วก็ผ่านไปมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนั้นถึงจะเป็นกีเลสคุณจางเจ้าคะมีปัญหาเรื่องตกพวังจัะเขาเมตตาวิธีแก้งเลย มาถึงนั่งหลับเนี้ยหลับก็ต้องวิธีหนึ่งก็คือต้องผ่อนอาหารหรืออดอาหารเรื่องอาหารเป็นสคัญก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าในเบื้องต้นส่วนใ่ในเบื้องต้นเวลาภาวนาเนี่ยต้องถือสีแปดเพราะสีแปดก็จะควบคุมให้เรารับประทานอาหาร ไม่มากจนเกินไปคือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็รับประทานอาหารไม่ได้แต่ถ้าเราถือศีลแปดรับประทานแล้วยังง่วงอย่า ง, าง <Yeah. S 1> เงี้ยเราก็อาจจะต้องใช้อทาห์เลยก็ได้หรือถ้าสมมติเราถือถือศีลแปดเรายังรับประทานสองมื้ออยู่เช้ากับกลางวันเราก็อาจจะต้องลดให้เหลือมื้อเดียว ถ้าลดมื้อเดียวแล้วยังง่วงก็อาจจะลดปริมาณลงให้เหลือให้ลงน้อยลงไปลดรับประทานเป็นครึ่งหนึ่งของที่เราเคยรับประทานถ้ายังม่วงก็อาจจะต้องไม่ฉันเลยไม่รับประทานเลยอย่างนั้นก็จะทําให้ไม่ม่วงได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็ทํางไปหาไปอยู่ตามสถานที่ที่มันง่ากลัว ไปนั่งแถวป่าช้ า, านี้มันจะไม่วุ่นแต่มันจะควบคุมจิตได้ไหรือเปล่าควบคุมความกลัวได้หรือเปล่าถ้าควบคุมไม่ได้กปนั่งก็ไม่เกิดประโยชน์เลยจิตมันก็สกั่นกลัวอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างตัวฉันน้อยนี่เราเกิด อ, อาการวู่อย่างเงี้ยมันแสดงว่าเราร่างกายเรามัน มันทำเกินกับความสามารถร่างกายหรืเปล่าเนี่ยนะวูบแบบไหนวูบแบบหลับไหไมวูบแบบอะไรอ่ะวูบจะเป็นลมฮะเป็นลมจา้าคือพยาผมเขาบอกว่าเขาตัวหมาให้เอาส่งวิตามินให้เขาของเขาเสร็จอาหารมันจะไม่คออเราเขาทำํทำทาหนักเพาทําหนักครับมันหน้าจะมึน่ะอะต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราเกินกําลังขอ ง, ง, งร่างกายหรือเปล่าอัานนี้ก็ต้องไปแจ้งยาดู หรือว่าเราเราให้อาหารพอเพีไงแต่วความต้องการของร่างกายหรือเปอม่าก็อาจจะเป็นช่วงร่างกายปรับนะว่ามีช่วงที่พปถึงว่าอาจารย์เคยอดอาหารเนี่ยมันจะมีอาการรูปไปใช่ไหมถ้นเ ร, เราไม่ค่อยมีปัญหาก็ อ, อ, อาจจะต้องทําจากน้อยแต่ว่าค่อยๆลดไปมาลงไปให้ร่างกายมันปรับปรับได้ ก็ค่อยปรับไปหรือถ้าอดอาหารแล้วมีเป็นปัญหาก็อาจจะไม่ถูกกับเราก็ได้เราก็ต้องใช้วิธีเราก็ต้องไปหาที่ที่ยากกนอยู่อาหาก็ขายเมื้อเดียวอยู่แล้วเต่ว่าเพ่ออาจจะนอนน้อยฮะนอนน้อยก็ถ้าไม่ถ้าได้นอนคือก็สี5สีห้าชั่วโมงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยนะพ อ, อ แต่ถ้าเราเคยเคยเคยนอนแปดชั่วโมงพอเรามานอนสีห้าชั่วโมงมันก็อาจจะรู้สึกว่าน้อยเราจะวูบได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอย่างนันก็ได้แต่ไม่รู้เนะี่ยเพราะว่าคือร่างกายอาจจะยังปรับตัวไม่ทันอาจจะต้องค่อยค่อยลดจำนวนจากแปดก็เหลือเจ็ดจากเจ็ดเหลือสี่ไอเหลือหกเหลือ 5, ห้าลงมาตามลำดับก่อน ถ้าทำอะไรพวกพวกภาพเนี่ยมันก็อาจจะปรับตัวไม่ทันก็อาจจะมีมีปัญหาตามมาได้นั่นคกอจะเหลือสี่ชั่วโมงมมการปฏิบัติมันเหมาะต่อผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องถ้าเราปฏิบัติแบบเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยมันมันปรับตัวยาก จะปรับตัวให้เข้าในเข้าในสภาพที่จ ะ, ะปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นเนี่ยมันมันไม่มีเวลาปรับตัวพอมามาทำแบบเข้มข้นเลยมันก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าเราปฏิบัติแบบระยะยาวอย่างเป็นงักบวชเนี่ยเรา ค, ค่อยค่อยปรับไปคิดเล็กทีน้อยมัน ก, มนก็มันก็จะทำได้ นั่นก็ต้องดูดูผลที่เกิดเกิดจากการปฏิบัติของเราว่ามีผลไดแล้วก็พยายามแยกดูว่ามันเป็นผลทางจิตผลที่มาจากจิตใจหรือผลมาจากทางร่างกายบางทีหนึงก็เป็นผลมาจากทางจิตใจก็คือกิเลสมันก็สามารถสร้างสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีได้ หรือถ้าเราถ้าเ ป, เป็นเรื่องของร่างกายเราก็ต้องพิจารณาหรือว่าร่างกายเราอาจจะมีมีความบกพร่องอะไรบางอย่างไม่สามารถที่จะปฏิบัติอย่างเข้มข้นแบบนี้ได้เราก็ต้องเราก็ต้องตัดหม่แล้วเวลาจิตจะมีความรู้สึกบางช่วงมันจนะหนัก มีก้อ น, นำดำๆอยู่กลางด อ, อ ก, กควรจะปฏิบัติยังไงเราใช้อะไรเป็นองค์ภาวนานอะไรลมหายใจก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับไอ้ก้อนที่มัหนหลัมันจะเป็นยังไงเราอย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจแล้วแสดงว่าเราไม่ภาวนาะเราต้องอยู่กับลมหายใจไปตลอดไม่ว่าจะมีอะไรปรกากฏให้เรารับรู้ให้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางทันที เรากลับมาที่ลวงใจใจต่อไปถ้ายังดูลมได้ก็ดูต่อไปไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปวิจตุกกรรมว่ามันจะเป็นอย่างไรให้มันเป็นก่อนให้มันปรากฏขึ้นมาก่อนเราไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าก่อนว่ามันจะเป็น อ, อะไรหรือป่าอย่างนั้นอย่างแสดงว่าเราเจอแล้วแค่เราไปคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา ไอยู่กับลมไปเรื่อยๆอไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏมาให้รับโย ก, ก็อย่าไปสนใจแล้วพอพอใจไม่ไปยึดกับมันแล้ต้างทีมันก็าหายไปบางทีมันเป็นเป็นเป็นอาการที่จิตผลิตขึ้นมาเองเป็นขยะที่เราน่าภาวนาเนี้จิตนี่ดเดิดมันจะต่อต้าน มันก็จะสร้างอุปสรรคต่างๆขึ้นมาขวางขวางขวางทางเดินของเราให้เข้าสู่ความสุบแต่ถ้าเรารู้ทันว่ามันเป็นเพียงมายามันไม่ใช่ของจริงให้เราอยู่กับลมไปเรื่อยๆมันจะสร้างอะไรขึ้นมาก็รู้ว่ามันเป็นเป็นของปลอมทั้งสร้างมาเพื่อให้เราเสียเสียผลรัศฐิไม่ให้เราได้ทอนหาย พอเราไม่ได้ภาวนาะเราไปวิตกการวลกับสิ่งที่มันสร้างวาให้เราเห็นเราก็จะจิตของเราก็จะเร่นเสียหลักนะแล้วก็จะเริ่มไม่มีกําลังที่จะภาวนาต่อไปได้เวลาเราปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางเนี่ยเราไม่สามารถสัง่งจิตเขาได้ว่าเราต้องการให้เขาปล่อย วางแต่ได้แต่สอนเขาแล้วจนวันหนึ่งเขาทําได้เองเขาวางเขาเองเขาเขาวางก็ต่อเมื่อเขาเห็นชัดว่าสิ่งที่เขาจับนั้นยึดติดอยู่นั้นให้ความทุกข์กับเขาแล้วเขาไม่อยากจะทุกกับสิ่งนั้นต่อไปเขาก็จะวางได้ถ้ายังไม่เห็นว่าสิ่งที่เขายึดติดอยู่นั้นให้ความทุกข์เขาไมยังจยึดติด ต้องเห็นอนริะสั์เลนต้องเห็นว่าตอนนี้เราทุกข์เหลือเกินใจขอเราทุกข์เหลือเกินเพราะเราเนื้อติดอยู่กับสิ่งนี้เพราะเราอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเลยทุกข์กับสิ่งนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยาไปอยาบหวให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเนะบื้องต้นเราก็ได้แต่พิจรารณาก็พิจารณาเพราะยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงต้องไปอยู่ในเหตุการณ์จริงก่อน แล้วมันก็จะเห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นมาเช่นสิ่งที่เราล้างหรือคนที่าล้างล้างนี่จะต้องจากเราไปาเราจะทำอย่างไรถ้าเรายึดติดระยะก็าจากเราไปเราก็จะทุกข์ถ้าเราตัญนาว่าเราห้ามเขาไม่ได้เร า, า, าจะไปก็ต้องปล่อยเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ การจะปล่อยไม่ปล่อยนี่มันอยู่ที่ตรงที่อริยสัจคือที่ทุกขสมุทัยไม่อยู่ที่มรรคนิริโรธถ้าเราไม่สบายใจเราก็จะรู้ว่าเรากำลังเกิดความอยากกับสิ่งนั้นอยู่ถ้าเราต้องการความสบายใจกลับขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาเห็นว่าเราห้ามของได้ได้เขาเป็นอนัตตา เขาจะอยู่เขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้เราอย่ากปอยากให้เขาอยู่ไม่ยอย่กให้เขาไปไหวไปตามความจริงอยู่ก็ได้ไปก็ได้เราก็จะหายทุกช่วงที่เราพิจรารณาเนี่ยเป็นการทำการบ้านกรอนในี่ยขณะที่งไม่เกิดเหตุการ <c oughs> ทีนี้เรารักใครเรารักอะไรมากๆเราถามตัวเองว่า เวลาเขาจะไปจากเราว่าพอ่อเม่อกาอันนี้เป็นการทําการบ้านแล้วพอถึงอาการย์จีนก็ก็ก็จะรู้ว่าทําได้หรือไม่ได้สอบผ่านหรือไม่ผ่านถ้าทําได้ฝ่อได้ก็จะไม่รู้สึกอะไรไปก็ไปอยู่ก็อยู่แต่ทำเนี่ยก็แค่ยืนนั่งลงไปมันไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่เราไปหลวงพ่าเป็นง น, น, นี่เป็นนี่ ถ้ามันเห็นถ้ามันมีตายรักมันมีมักมักก็คือตายรักมันก็จะมันก็จะทําให้เป็นวิโร่าคือทุกข์ก็จะดับไปพอมันจะปล่อยวางความอยากมันก็จะไม่อยากกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้จะเป็นอย่างไรก็ได้ไม่เป็นปัญหามันก็จะทํานี้กับทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งภายนอก ก็คือลาบยศจาระเสลกับฤทธิ์สิงห์เกิดผลตภะแล้วก็เข้ามาที่ร่างกายร่างกายจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปเวทยาจะสุกก็สุกจะทุกข์ก็ทุกข์ก็ปล่อยเข้าไปตามความจริงของเขาตอนนี้สุกก็สุกตอนนี้ทุกข์ก็ทุกข์ได้ทั้งนั้นสุกก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุกไม่ทุกข์ก็ได้เ ถ้าปล่อยได้แล้วมันจะเฉยมันจะมันจะไม่ทุก ม, ม, ม, ม, มันจะไม่รู้สึกไม่สบายใจเวลาพิจนารณาเรายไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงแต่เริ่แตะซ้อมไว้ก่อนซ้อมปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าเราอย่าไปยึดนะเขาจะมาในรูปแบบไห น, นก็ต้องยอมรับกับความจริงของเขาทีนีถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราปล่อยได้หรือไม่เราก็ไปลองทํำดู ฉันอยากจะรู้ว่าปล่อยความเจ็บได้หรือไม่การนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ดูที่ว่าจะเฉยได้ไหมแก็อยากให้ความเจ็บหายไปหรือเปล่าวัาานแรกให้มีการมีความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะทุกข์ทงานใจมันจะทนนั่งอยู่เวลาถ้ามันเฉยๆเจ็บก็เจ็บไปมันก็จะนั่งอยู่ต่อไปได้เแื่อเด็กน้อย เราต้องซ้อมไว้ก่อนเราพิจารณาไว้ก่อนแล้วเมื่อเวลาถึงเท่าเวลาเท่าห้องสอบเราจะได้ทำข้อสอบได้ถ้าไม่ซ้อมไม่เตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงเวลาเท่าห้องสอบก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก็จะทําแบบเดิมก็คือจะยึดจิตทันทีจะอยาก ท, าทันทีพอเจ็บก็อยากหายอยากให้หา ย, ยาจายิต อ, อยากจะเปลี่ยนลีลาหมดทันที แล้วเวลาทำนั่งอยู่ยนะจะจะก็ได้แล้วที่เก็ต้องเปลี่ยเดียวๆหรือวเวล า, วาละะต้องสูงเสียสิงที่เรารักไปก็จะต้องเศร้าสศเ ส, ส, สียใจร้องห่มน้องไห้ปวดแผงขึ้นมาทำใจเฉยๆนกะ็ได้ าเราไปหลเชื่อว่าสิ่งที่เราเสียไนั้นเป็นของเราเป็นของมคุณคาเราไม่เห็นว่าันเป็นเกนน้งนฟันนันไม่ใช่เป็นของเราเราพยายามสใจอยู่เรื่อยๆไม่มีรเป็นของเราทกสิ่งทุกอย่างมาจากเกนน้าเงนฟัเราจะได้ไม่ไปยึดถือ จะได้ไม่ตัวอย่างให้ต้องอยู่กับเร า, ปาเป็นยังไงจะไม่ไปคิดว่าเขาเป็นของเราถ้าเราไม่มีควารคิดอย่างนี้อยู่ในใจก็จะไม่มีความทุกข์ใจล้มต่งไม่ค่อยได้คิดอย่างนี้ันนะไม่ได้คิดกตอนเนี้ย ต, ตอนที่เอมา น, นั่งฟังอย่างเนี้ย เม่อหนที่แล้วทางเที่ยเราได้เคยคิดถึงเ่งน้ว่ต้องเป็นคาดสี่จริงนะเงนฝ่ายไม่ใช่ตัวเราของเราไม่่อยู่กับเราไปตลอดเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปเาก็ห้ามเไม่ได้เวลาเสียงด่ามาเราก็ห้ามไม่ได้เวลาเสียงมาจะสั่งให้มาตลอดก็ไม่ได้ คางทีก็มาบางทีก็ไม่มาแต่เสั่งใจเราวด้สั่ใจว่าจะไปโลงกับเสียงมันก็มามันก็เป็นเสียงของลมนี่แหละจนเสียงอะไรเสียงที่พูดนี้ก็เป็นเสียงลมว่าทำไมต้องไปดีใจไปแค้นใจไปเสียใจกับเสียงลมด้วยลมพัดใบไม้ไม่รู้สึกเสียใจเพรเสียงหยาดขึ้นมาเนี่ยเสียงโอ้โห เราเปิดได้เพราะว่าเราไปหลงแล้วก็ไปอยากคืออยากจะฟังแต่เสียงชมไม่อยากจะฟังเสีงยงด่าพอได้ยินเสีงยงด่าก็เลยทุกใจไปมันก็ปล่อยสอนใจอยู่เรืยๆมันก็เป็นแค่เสียงลมกันเสียงลมับเข้ามาแล้วก็หายไป กระตุกเสร็จแล้วลมันก็ผ่านไปแล้วขอด่าปั๊บมันก็หายไปแล้วแต่เราเออกมาเอามามาเปิดใหม่มารีวิวให้แล้วก็เปิดฟังใหม่เลยเหมือนกับอาเทศข้อด่าแล้วแต่เมืเช้านี้จำบ่ายนี้ก็ยังคิดถึงเสียงนั่นอยู่เพราะเราควบคุมการคิดเราไมได้ เรากล่อให้ความคิดของเราคิดไปเรื่อยๆคิดไปตามเราถ้าเรามีพุทโธพุทโธเราก็หยุดกันได้พุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็มันก็จะคิดเรื่องต่างๆได้เราไม่ติดเบรคใจอะไรเลยตอนนี้ภาวนาพุทโธพุทโธก็ไม่เอาแล้วชอบให้เป็นชอบแบบชอบขับรถแบบไม่มีเกิดกัน ก็เลยแตกโคง้งตกเหวกันชนกันอยู่เรื่อยๆเพราะไม่เบรกกันมีเรื่องเวลามันก็เพราะไม่มีเดรกกันอยมีความย่างที่ไม่ตรงกันมันก็ทะเลาะกันเลยนี่ยถ้ามีมีความเห็นไม่ตรงกันก็ต่างคนก็ต่างไปเลยเขาะจะไปเหนือวเราไปใต้ก็ไปพลหลังมันก็ต้องมาชนกเลยใช่ไหมอย่างที่สุภาษิตเขาบอกว่า ให้เสนียงส่วนต่างให้ประสานส่วนเหนืองใช่จะคุยไั้ก็คุยเรื่องที่คุยกันได้เรื่องที่คุยกันไม่ได้ก็อยากคุยกระจกคุยไปก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มมีวันที่จะตกลงกันได้ ต้องควบคุมความคิดของเลาให้ไต้องเจริญสติให้มากต้องพุโทโธไปทั้งวันให้ได้รับรองไน้ถ้าพุโทโธได้ทั้งวันนี้จะเห็นความแตกต่างในความรู้สึกและควคิดของเราใครจะด่าเราเราจะโกรธปุ๊บก็พุโทโธ ป, ปุ๊บเดียวาหายเลยดีไม่ต้องไปเหนือ่อยยังก็ต้องนั่งเหนื่อยคิดถึงคำํำคำดาามันไปทั้งวันทิดอยู่นั่นคิดอยู่นั่นคิด้วก็อยู่นี้นทาย โกรธแค้นขึ้นมาท่านนี้จะพุโทโธพุโทโธไปเพียงสองสามวินาทีก็หา ย, ยถ้าถ้าสติมีกำลังมากพุโทโธเพียงไม่ไมไมกี่ครั้งมันก็หายเลยเราจะเห็นว่าเราโม้เ น, นี่ยเราเราเอาคำด่าของเข้ามาด่าตัวเราเองด้วยเขาด่าเราเพียงคนเดียวแต่เราเอากลับเอามาเอามาด่าซ้ำแล้วซ้ำอี ก, อกไม่รู้กี่หายครั้ง พยายามอยู่แบบรับร <sh arp> <s hr> ู <s hr> ้เฉยๆรู <sh arp> <s hr> ้ท <h ars> ุก <h> ส <ars> ิ่งทุกอย่างตามคามเป็นจริงรู้แล้วปล่อยวางท่านรู้ว่าเขาชฉมแล้วก็ปล่อยวางรู้ว่าเขาด่าแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปปรุงกั่ ไม่ต้องไปปรุนแต่ให้เกิดความดีใจเกิดความเสียใจขึ้นม า, อาขอให้เราทำลดถึงธรรมะควาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆอย่าให้ธรรมะอยู่ห่างไกลจากใจเพราะธรรมะเป็นเหมือนแสงสว่างถ้ามีแสงสว่างนะเราก็จะทาอะไรต่างๆได้ถูกต้องไม่ ไม่เกิดความเสียหายให้แก่จิตใจของเราก็คือไม่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราความทุกข์ของเราความไม่สบายใจของเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราอยู่ห่างไกลจากธรรมะคำสอนของพระเจ้าเพราะเราพอไม่มีธรรมะก็เหมือนกันไม่มีแสงสว่างมันก็มืดเวลามืดเวลาทำอะไรก็จะมองไม่เห็น จะไม่เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกว่าอะไรดีอะไรชั่วว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นสุขเป็นทุกข์จะเห็นกับตาประปันเลยเห็นสุขก็เป็นทุกข์แต่เห็นว่าทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราแต่ถ้าเรามีธรรมะของพระเจ้าอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นความจริง เวลาเห็นความจริงเราก็จะทำตามความจริงเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่มีความเดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆธรรมะนี้เป็นแสงสว่างของชีวิตเหมือนกับการขับรถตอนกลางคืนถ้าไม่มีไฟสองทางขับรถไปก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ขับได้ จะไปประสบอุบัติเหตุต่างๆได้แต่ถ้ามีแสงสว่างสองทางก็จะเห็นทางจะเห็นอะไรที่อยู่ขวางกั้นอยู่ข้างหน้าเราจะสามารถหลุดเรี่ยงอุปัเตุต่างๆได้นี้นก็พยายามให้มีธรรมะยเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถคิดถึงธรรมะได้เราก็เปิดธรรมะฟังไปเรื่อยๆฟังก็ให้ฟังแบบ ลินกับฟังอย่าไปฟังแบบทัพทีในหม้อแกงฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องฟังฟังไปแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เหมือนกับไม่ได้ฟังเวลาฟังก็ใจก็ต้องมีสติ จ, จดจ่ออยู่กับการฟังแล้วก็พิจารณาตามได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาเข้าใจก็จะก็จะเกิดความความรู้ขึ้นมาในใจ พอแล้วถ้าเข้าใจแนละ้วมันจะไม่ดื่นถ้ายัางไม่เข้าใจมันก็จะดื่นได้เวลาฟังธรรมท่านว่าสอนว่าอย่าไปฟังเพื่อจาอย่าไปฟังว่าวันนี้ท่านพูดอะไรบ้างมีกี่ข้อไม่ต้องไปจำเวลาฟังนี่ของเราฟังเพื่อความเข้าใจการแสดงธรรมนี่จะแสดงทั้งเหตุและผลควบคู่กันไปเมื่อเราฟังแล้วเรา เข้าใจเราก็จะจาได้ว่าแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องจําการความธรรมทางภาคปฏิบัตินี้ท่านไม่ได้ฟังเพื่อจดจําท่านฟังเพื่อความเข้าอกเข้าใจเพราะถ้าจำเนี้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่นานก็ลืมได้แต่ถ้าถ้าถ้าถ้าเข้าใจเนี้ยจะไม่ลืมเหมืที่มีปัญหาที่ เขาถามพ่าว่าพ่าหัสนี้ลืมได้ไหมคำตอบก็คือลืมได้จําได้ก็ลืมได้เพราะเป็นสัญญาแต่ความเข้าใจนี้เป็นปัญญานม่ลืมมีอะไรที่พ่ารหัสมัไม่ลืมมั้ยมีคืออะไรก็คือพระอริยสัจสี่อันนี้ไม่ลืมเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลท่ารู้ว่าทุกใจเกิดจากความอยาก การดับทุกข์ใจก็เกิดจากการมีธรรมะมีปัญญาที่เห็นว่าทุกสิทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จะไม่ลืมมันจะเป็นของที่อยู่กับใจไปตลอดจะอายุมากน้อยตอนไหนก็จะไม่ลืมแต่เรื่องชื่อเสียงเวลาเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนี่นลืมได้ ที่วันนี้คุยอะไรกันในร่างเนี้ถ้ามาถามก็จําไม่ได้แะ้วเพราะว่าไม่ได้จํำพูดไปไม่ได้พูดเพื่อจําพูดไปเรื่อยถามว่ามาถามนี่ฉนันอะไรก็จําไม่ได้แะ้วเพราะไม่ได้ไปจําไม่จําเป็นของโลงนี้จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่อย่าลืมก็คือพระพระอริยศรรษษัจสี่ีั้งนั้น อย่าลืมทุกสมุทัยนรมรอมากอย่าลืมว่าทุกเกิดจากความอยากคือสมุทยัยแล้วทุกจะหนัดได้ก็เกิดจากมรร ก, ก็คือปัญญาคือธรรมะคือความรู้ที่แท้จริงที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงธาตุสี่ดินนอำลมไฟไม่เทีย่ยเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานี่คือธรรมะที่เราควรที่จะมีอยู่ ใกล้ใจเราตลอดเวลาคิดยียเรื่อยๆมองเห็นอะไรก็บอกเรากำลังเห็นแต่ดินน้าลมไฟนะหัดแยกแยะร่างกายด้วยิดูร่างกายว่ามาจากอะไรก็มาจากอาหารอาหารอาหามาจากอะไรอาหารก็มาจากดินจากน้าต้นข้าวต้องมีดินต้องมีน้ำต้องมีไฟคือแดดต้องมีลมคืออากาศถึงจ ร, ริร่มโตได้ พอออกมาเป็นรวงท้าวเราก็เอามาต้มต้มมะหงต้มแล้วเราก็รับประทานเข้าไปในร่างกายร่างกายก็จะลันตอบต่อขึ้นมาด้วยอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยน้ำที่ดื่มเข้าไปด้วยอากาศที่หายใจเข้าไปแล้วพอร่างกายนี้หยุดทา ง, งานแล้วเป็นอย่างไรน้ำก็แยกไหลออกมาไปก็หายไปร่างกายก็เย็นเฉียบ ทิ้งไว้นานร่างกายก็เปื่อยแล้วก็ตายเปนดินไปก็มีทานนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดินน้ำลมไฟมสิ่งของต่างๆก็เอามาจากดินนั้นๆต้นไม้เอาไม้มาเราตัดต้นไม้มาสร้างบ้านมันก็ต้นไม้ก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นดินน้ำลมไฟัเรว่าโลกกระทา ร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโลกกธาตุส่วนหนึ่งธาตุเกี่เห็นาหนึ่งไปไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้เป็นอะไรเรามาสมมติกันเหมือนเราเรามาฟั้นตุ๊กตากันแล้วก็มาติดป้ายว่าตัวนี้เป็นนายเป็นนายกองนายขอเป็นนางสอนางมอเป็นหญิงเป็นชายเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง มันก็เป็นตุกตาที่ปั้นมาจากดินเหมือนกันนะครับน <c oughs> ันพยายามมองให้เห็นตลอดเวลาว่าเป็นเพียงดินน้ำลงไปที่จะต้องสลายตัวบวกลงไปในที่สุดเป็นเหมือนก้อนน้าแข็งที่เราเออกมาตั้งไว้ข้างนอกตู้เย็นเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็นน้ำไปทุกอย่างมันจะต้องละลายสลายไปเป็นเหมือนฟองน้ําทุกอย่างเลย ต่อไปฟองอน้ําแตกก็หายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่คนที่ตายไปแ้้วเมื่อสองสามน้อยปีนี่มีใครจําได้คะมีใครรู้จักบ้างไหมไม่มีหรอกหายไปหมดแล้วร่างกายของพวกเราก็เหมือนกันต่อไปก็จะหายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโลกนี้อย่างอย่าไปดิ้นรนต่อสู้รักษาต่องน้ํานหนรักษาเงิก็รักษาไม่ได้ในที่สุดฟองน้ํามันก็ต้องแตกไป รักษาสิ่งที่ไม่แตกดีกวรักษาใจใจนี้แหละไม่มีวันแตกแต่มันจะมาแต่มันจะทุกข์เพราะไปหลงรักษาสิ่งที่มันรักษาไม่ได้กันเท่านั้นเองนั้นตอนนี้อยากไปรักษาปล่อยมันไปทุกอย่างอะไรมันจะไปให้มันไปรักษาสิ่งเดียวคือรักษาใจมันไม่ไปมันจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรารักษาใจด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไร ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอ ด, ดนี่คือสรุปธรรมะ ว, วันนี้เอาไปเล่นกันแล้วน <c oughs> <c oughs>